แล้วคนเนียเข้ามาอยู่ท่ากองเพนน้องบัวลำวัดน้องแซงคุณแม่ท่านขึ้นมากราบองค์หลวงตาท่านก็ยังฝากฝังฝากฝังหลวงตาไวโดยนะท่านบอกว่ามีคูบ่บ้าลูกของก็น้อยจะมาเนียนะอีกไม่นานคงจะมาเข้ามา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 เพราะเราก็เป็นหมอแต่นี้นคุณหมอเป็นสีก็เลยเข้ามาดูแลอมาใหม่ๆก็เข้ามาอยู่หกเจ็ดวันก็ออกไปบ้างกลับไปสองสาวันกลับมาผลที่สุดก็เลยมาอยู่อยู่ดูแลคุณแม่เรื่องอาหาเรื่องอาหารทุกอย่างเรื่องยุกเรื่องยาเอผลที่สุดคุณแม่ไม่ตายง่ายใช่แล้วเทอะเนี่ย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 หน้าแปลกใจอคุณหมอดูปอดของคุณแม่เนะี่ยมันปอดทางซ้ายและอปอดทางขวาเนะี่ยหายเงียบเลยนะไม่หายใจเลยแต่กระป๋อ ด, ดีด้านเด่นหายใจกับฟอดแฟฟอดแฟน้อยมาก <c ười> คุณแม่อยู่ได้ยังไงอยู่โดยไม่หายใจ <c ười> โดยไม่ได้ใช้ปอดหายใจคุณหมอก็แปลกเเหมือนกันนะ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 หลวงพ่อพูดได้เลยว่าวันไหนไม่ได้ฉันอาหารของคุณหมอเนี่ยไม่วัวข น, นมไม่รู้ว่าทอฟฟี่ไม่รู้ว่าโกโก้ ก, กาแฟในวัดของเหล่าพระลูกหลานของเราเนี่ยเกือบวันนั้นคิดจะไม่มีเลยท่านดูแลมาโดยสม่าเสมอเป็นผู้มีบุญคุณอย่างมากต่อวัดของเราคุณหมอเป็นสีกับน้องน้องของท่านคุณพูนสีคุณนิจ ช, ชาภานะมะกรานนท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 สิบร้อเลยตักหินขึ้นมาใส่แล้วก็แก่มามาตายเถอะนี่หินกับแกบนะ่ะหินก็จมแกบก็จมเหมือนกันเวลาใส่น้นะํามันสุกลูกเราคิดดูนะไปใส่ดูก็ได้มัญลุล้างไม่รู้จะล้างยังไงเถอนี่โอ้กว่าจะล้างหินออกจากแกบล้างแกบออกจากหินนะเป็นภาลามากใช้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 คุณหมอเป็นสี่ท่านกระถางมาเป็นไงท่านเรื่องโอ้กำลังทําถังน้ำไอจวนจะเสร็จแล้วยังโอ้ขาดเงินเงินมีอยู่หกพันก็เลยทําก็เลยรอรอไว้อยู่คิดว่าจะได้ใช้เพียงถังเดียวถัทงที่สองนาะไปเสร็จท่านก็บอกโอ้ทางเงินเงินอยู่ที่นี่มีอยู่แปดพันนะโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นบ้างคุณหมอว่าเอาไม่ไม่เป็นไร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 เอ๊มันเป็นยังไงมันรั่วข้างล่างอะแต่ที่ไหนได้เขาไม่ได้เทอุดอุดข้างล่างของมันใช่ไหมละ่ะเพราะมันไม่มีเงินสมัยนั้นน่ ะ, ะเทปูนบางๆมันก็รั่วข้างล่างเลยใช่วงพ่อกันเลยลงไปทุบใหม่เลยบดอัดใหม่ข้างล่างในถังน้าก็เทให้หนาเลยใชหให้มั่นคงเลยแข็งแรงเลยกระทั่งอยู่กระทั่งทุกวันนี่นะนี่แหละจากนั้นพระเนนก็ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยอีกเลยประเภทอย่างนั้น่ะ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 กรรมการขึ้นมาบริหารหรือจะมอบให้พ่อแม่กูญจานร์ให้ป้าแม่กูญจานท์แล้วก็กระผมจะมาเบิกเป็นบางครั้งที่ไปสร้างทาสะพานจะทำยังไงดีน้อกระผมรวมพ่อไปปรึกษาพ่อเหมือนกันไอ้ได้เงินมาได้ปัจจัยมาท่านก็นั่งตั้งเขาขึ้นข้างหนึ่งฮแล้วก็เคี้ยวหมากแล้วก็มองขึ้นบนเพดาน